อยากรวยต้องหายใจเข้าออกเป็นเงินอยากสุขต้องหายใจเข้าออกเป็นงานอยากพ้นทุกต้องหายใจเข้าออกเป็นรู้อยากได้อะไรคุณต้องหายใจเข้าออกเป็นสิ่งนั้นทีละอย่างทีละครั้งอยากรวยต้องหายใจเข้าออกเป็นเงิน อยากสุขต้องหายใจเข้าออกเป็นงานอยากพ้นทุกต้องหายใจเข้าออกเป็นรู้เมื่อถึงความนิ่งว่างในการทำงานคณจะเห็นงานออกมาจากอีกมุมมองหนึ่งมุมมองของความไม่มีอะไรในใจมุมมองของการโตอตอบกับงานที่ประดังเข้ามาด้วยความสงบมุมมองของการรับมือกับความโชงชางด้วยใจเงียบเชียบ แต่ในช่วงที่ความนิ่งว่างยังไม่เสถียรคุณต้องยอมรับตามจริงว่ายังมีสิ่งรบกวนให้หวันวหวได้ตลอดจนรับรู้ถึงความวันวหวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิเสธความจริงไม่ติดภาพว่าตนเองแน่แล้วจะกลับแย่ไม่ได้คุณจะอยู่กับธรรมชาติของจิตโดยไม่คิดสร้างกฎขึ้นใหม่แต่จะเรียนรู้ด้วยความอ่อนน้อม แะยอมตนปฏิบัติตามวิธีแห่งธรรมชาติทางจิตนั้นศึกษาจากลมหายใจจนเข้าซึ้งถึงความจริงว่าได้มาแค่ไหนเสียไปแค่นั้นเมื่อฟังลมหายใจสอนความจริงอยู่ใจจะนิ่งว่างอยู่กับความเป็นไปเองทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกคณจะเห็นทุกความเป็นไปเองล้วนมีเหตุผลักดันให้เป็นไป เหมือนทุกสายน้ำต้องมีต้นแหล่งและมีปลายน้ำไม่มีสายน้ำใดไหลามาจากความไร้น้ำไปสู่ความไร้น้ำเลยไม่เห็นกายใจของคุณเป็ น, นกลไกผลิตงานทำงานร่วมกับกลไกอื่นคุณจะไม่หลงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองทำอะไรให้เกิดขึ้นได้คนเดียวตามลำพัง ด้วยใจที่นิ่งว่างคุณจะเห็นระบบกลไกทั้งหมดตามจริงว่ากำลังประสานงานราบรื่นหรือติดขัดไม่ลงตัวชิ้นส่วนใดเสียหายชิ้นส่วนใดใช้ได้ดีความนิ่งว่างจะช่วยให้คุณยอมรับความจริงนั้นด้วยใจที่ไร้ทุกและเป็นสุขกับการเข้าแก้ไขข้อติดขัดหรือเสริมส่วนแห่งความราบรื่นหาใช่นิ่งว่างอย่างดูดายไม่ เมื่อไม่นิ่งว่างอย่างดูได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนิ่งว่างอย่างรู้แม้ต้องแข่งขันความนิ่งว่างอย่างรู้จะกั้นไว้ไม่ให้คุณเลยเถิดเป็นแกงแย่งแม้ต้องเสียงดังความนิ่งว่างอย่างรู้จะกั้นไว้ไม่ให้คุณเลยเถิดเป็นววยวายแม้ต้องใช้อำนาจความนิ่งว่างอย่างรู้ จะกั้นไว้ไม่ให้คุณเลยเถิดเป็นผดเด็จการความนิ่งว่างอย่างรู้จะสร้างปัญญาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ฉลาดในทางเพิ่มปัญหาเมื่อไม่ตั้งใจก่อทุกข์ให้คนอื่นตนเองย่อมไม่เป็นทุกข์อยู่เมื่อไม่ก่อเหตุแห่งทุกข์ด้วยความไม่รู้ย่อมไร้ทุกข์อย่างรู้เซน คือการอยู่กับที่ไม่ใช่การหลบหลีกแต่แม้ไม่หลบหลีกก็พ้นไปจากทุกได้พ้นจากทุกข์เพราะทุกหาตัวไม่เจอกับทั้งไม่เผลอก่อทุกข์ขึ้นเสเองสุดท้ายหลังจากทำงานอย่างเซนนานพอคุณจะพบเซนด้วยความเป็นจิตที่นิ่งว่างอย่างรู้คงเส้นคงวาแล้วไร้ทุกอย่างเป็นไปเอง